มหาสติปฐานสูตรโดยดังตรินหัวข้อรู้อิริยาบถขั้นที่สองของการฝึกมีสติอยู่กับกาย เพียงด้วยการมีสติรู้ความไม่เที่ยงของลมหายใจเราไม่อาจละอุปาทานในตัวตนได้ทั้งหมดเพราะลมหายใจไม่ใช่สิ่งเดียวที่ถูกยึดมั่นว่าเป็นของเราพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านอกจากฝึกรู้ลมหายใจแล้วยังมีการฝึกอย่างอื่นอยู่อีกซึ่งอันดับต่อไปก็ได้แก่อิริยาบถ ปกติคนเราจะรู้สึกว่ามีร่างกายก็ต่อเมื่อค้างคาอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานเกินไปกระทั่งต้องระบายความอึดอัดเมื่อยขบด้วยการปรับเปลี่ยนท่าทางเส้นใหม่ให้สบายขึ้นกว่าเดิมนอกนั้นแม้ร่างกายมีก็เหมือนไม่มีในการรับรู้ของเราที่อยู่ๆจะให้สามารถระลึกถึงร่างกายได้เรื่อยๆนั้นมิใช่วิสัยธรรมชาติ ตอเมื่อฝึกรู้ลมหายใจได้ผลมาแล้วเราจะมีความรู้สึกเข้ามาในกายอย่างเป็นไปเองโดยไม่ต้องบังคับกล่าวคือทันทีที่รู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกอย่างสบายเดี๋ยวนี้ร่างกายในท่าทางปัจจุบันก็จะพลอยปรากฏให้รู้ไปด้วยเดี๋ยวนี้เช่นกันความรู้สึกว่ามีหัวมีตัวมีแขนขาปรากฏเป็นท่าทางหนึ่งหนึ่ง โดยปราศจากความเพ่งเล็งหรือเครียดเกรงนั่นแหละเรียกว่าการรู้อิริยาบถขอให้เข้าใจดีๆ ด, ด้วยว่าการก้มลงมองเห็นด้วยตาเปล่าว่าร่างกายปรากฏในท่าใดหาใช่การรู้อิริยาบถไม่การรู้อิริยาบถต้องใช้ใจรู้เท่านั้นไม่ใช่ใช้ใสายตามองเห็น เมื่อฝึกรู้อิริยาบถให้มากแล้วเราจะได้ฐานของการมีสติอย่างถูกต้องแม้ต่อยอดไปรู้อะไรอีกแค่ไหนก็แน่ใจได้ว่าไม่หลงคิดไปเองทั้งนี้เพราะการรู้อิริยาบถคือการรู้ของจริงในปัจจุบันไม่มีทางเป็นอื่นเช่นถ้านั่งอย่างมีสติย่อมไม่มีทางรู้สึกว่ากำลังยืน และเมื่อรู้ชัดตามจริงว่ากำลังนั่งก็ย่อมรู้ตามจริงด้วยว่านั่งอย่างสบายหรืออึดอัดนั่งอย่างฟุ้งซ่านหรือสงบนั่งอย่างคิดดีหรือคิดร้ายเป็นตน้นเบื้องต้นขอให้สังเกตว่าลมหายใจที่ยาวและนิ่มนวล น, นั้น ทำให้เรารู้สึกว่ากายเป็นของโปร่งเบาเกิดสติอยู่กับกายอย่างง่ายดายเหมือนเป็นไปเองส่วนลมหายใจที่สั้นและหยาบจะทำให้เรารู้สึกว่ากายเป็นของทึบหนักแม้พยายามตั้งสติอยู่กับกายก็ลำบากเห็นไม่ชัดเหมือนอยู่กลางหมอกควันดำจะให้มองฝ่าออกไปเห็นอะไรนั้นยาก เมื่อเฝ้าสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างลมกับกายโดยไม่คาดหวังอะไรในที่สุดจะเกิดความเพลิดเพลินสติไม่ไปไหนเฝ้าแต่เห็นความจริงที่ปรากฏอยู่เช่นลมยาวกายโปร่งลมสั้นกายทึบและหากรู้ลมได้สบายสบายก็ปล่อยรู้กายได้สบายสบายแต่ถ้าเพ่งจ้องลมมากกายก็พลอยอึดอัดคัดแน่นตามไปด้วย เป็นตน้นหลังจากดูลมจนรู้อิริยาบถได้เราก็จะสามารถเข้าถึงการฝึกที่พระพุทธเจ้าตรัสแนะไว้อย่างง่ายได้นั่นคือเมื่อเดินก็รู้ว่าเดินเมื่อยืนก็รู้ว่ายืนเมื่อนั่งก็รู้ว่านั่งเมื่อนอนก็รู้ว่านอนเมื่ออยู่ในท่าทางอย่างไรก็รู้ว่าอยู่ในท่าทางอย่างนั้น แจกแจงโดยละเอียดได้ดังนี้ 1. เมื่อเดินก็รู้ว่าเดินท่าทางในการเดินที่สนับสนุนให้เกิดสติคือหัวตั้งตรงตัวตั้งตรงสองขาแตะไปข้างหน้าสลับกันโดยมีสัมผัสที่ฝ่าเท้ากระทบพื้นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาที่ดำเนินไปฉะนั้น หากมีสติเดินอย่างรู้ว่าเดินก็ย่อมต้องรู้สึกถึงฝ่าเท้ากระทบพื้นไม่ขาดเพราะเท้ากระทบพื้นเป็นสัมผัสที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่ต้องใช้จินตนาการการเดินไม่ใช่เรื่องยากไม่ต้องฝึกก็เดินกันได้แต่ที่จะรู้อาการเดินให้ถูกต้องตามจริงนั้นจำเป็นต้องฝึกกันมิฉะนั้นระหว่างเดินมักจินตนาการไปต่าง เช่นจินตนาการไปว่าเรากําลังเดินอยู่ด้วยบุคลิกสงบสํารวมเรากําลังเดินด้วยท่าทีที่น่ากเกรงขามเรากําลังเดินอย่างมีความสุขล้นเหลือเรากําลังเดินไปสู่มรรคผลนิพพานที่รออยู่ไม่กี่ก้าวข้างหน้าหรือในทางตรงข้ามคือจินตนาการไปว่าเรากําลังเดินอย่างคนทอดอะไรตายอยากเรากําลังเดินอย่างคนแพ้ที่ไม่มีวันชนะ เรากำลังเดินอย่างคนที่ไม่มีทางไปถึงจุดหมายไปยานใหญ่การแกะเอาจิตออกมาจากจินตนาการกลับสู่โลกความจริงที่กำลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้าก็ต้องอาศัยของจริงเช่นสัมผัสกระทบระหว่างเท้ากับพื้นเมื่อใดมีสติอยู่กับสัมผัสกระทบตามจริงเมื่อนั้นจินตนาการจะหายไป และจินตนาการหายไปนานขึ้นเท่าใดใจเราก็จะอยู่ในภาวะรู้จริงไม่ผิดเพี้ยนนานขึ้นเท่านั้นนี่จึงเป็นที่มาของการเดินจงกรมนักเจริญสติตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมาจะให้เวลากับการเดินจงกรมเพื่อให้แน่ใจว่าสติไม่หายไปไหนเป็นเวลานา น, านพอซึ่งเมื่อบ่มเพาะกำลังสติให้แข็งแรงดีแล้ว ต่อไปไม่ว่าเดินที่ไหนใกล้ไกลเพียงใดก็จะเป็นโอกาสของการเจริญสติได้หมดจงกรมคือการเดินกลับไปกลับมาบนทางเท่าที่จะหาได้อาจเป็นในร่มหรือกลางแจง้งอาจสั้นเพียง19ก้าหรือยาวถึง59ความยาวและสภาพของทางจงกรมไม่สำคัญไปกว่า วิธีรู้เท้ากระทบอย่างถูกต้องการจะรู้เท้ากระทบอย่างถูกต้องนั้นเริ่มแรกควรเน้นที่ใจอันเปิดกว้างสบายทานองเดียวกับเดินเล่นชมสวนขอให้เอามือไพร่หลังเงยหน้ามองตรงแบบไม่จดจ้องเพ่งเลงจุดใดจุดหนึ่งก้าวเท้าแบบเดียวกับทอดน้องเดินเพื่อความผ่อนคลาย แต่ในการเดินอย่างผ่อนคลายนั่นเองให้กำหนดรู้ผัดสะระหว่างเท้ากับพื้นไปด้วยขอให้สังเกตว่าถ้าเท้าเกรง่งจะรู้กระทบไม่ชัดแต่ถ้าเท้าอ่อนและวางเหยียบพื้นได้เต็มฝ่าเท้าจะรู้สึกถึงกระทบได้ชัดยิ่งรู้ต่อเนื่องนานเท่าใดเท้าก็ยิ่งปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆเท่านั้น ที่เท้าจะอ่อนและวางเหยียบได้เต็มฝ่าเท้านั้นต้องไม่มีความเร่งร้อนไม่มีความเพ่งเล็งเคร่งเครียดไม่มีความฟุ้งซ่านสัดสายออกนอกตัวใจต้องอ่อนโยนอยู่กับเรื่องเฉพาะหน้าคือเท้ากระทบก้าวต่อก้าวอย่างเดียวหากกําลังฟุ้งซ่านจัด ขอให้ลองเดินด้วยอัตราเร็วขึ้นกว่าปกติการรู้สัมผัสกระทบทีๆตามจริงจะช่วยลดคลื่นความฟุ้งลงมาได้เท้าจะลดความกระด้างลงและแม้กายเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเร็วก็ไม่มีความกาเกรงที่ส่วนใดส่วนหนึ่งเมื่อรู้สึกถึงเท้ากระทบพื้นชัดเจนอย่างสบายตลอดกายช่วงบนปลอดโปร่งดีแล้วก็ค่อยลดระดับความเร็ว ลงมาเป็นปกติเหมือนทอดน่องเช่นเคยจังหวะกลับตัวที่ปลายทางจงกรมก็สำคัญหากรีบเร่งกลับตัวแบบไม่ทันรู้เท้ากระทบจะมีผลเสียระยะยาวเช่นทำให้เคว้งงงหรือทำให้สติขาดลอยไปทีละน้อยรอบต่อรอบทางที่ดีคือ เมื่อหยุดที่ปลายทางควรให้เท้าเสมอกันแน่ใจว่ารู้สึกถึงฝ่าเท้าที่เหยียบยืนหยุดนิ่งชั่วขณะนั้นแล้วจึงกลับหลังหันโดยแบ่งออกเป็นขวาหันสองครั้งเท้าวขวานำเท้าซ้ายแต่และการขยับเท้ายกเหยียบให้รู้สึกถึงสัมผัสกระทบไม่ต่างจากก้าวเดินธรรมดา การฝึกเดินจงกรมในที่เฉพาะเป็นเรื่องดีแต่จะดียิ่งขึ้นถ้าเราทำทุกก้าวในชีวิตประจําวันให้เหมือนเดินในทางจงกรมเพราะสติรู้เท้ากระทบจะนาไปสู่ความรู้ตัวว่ากาลังเดินและความรู้ตัวว่ากำลังเดินจะนาไปสู่ความรู้อิริยาบถต่างๆอย่างทั่วถึงในที่สุด 2เมื่อยือนก็รู้ว่ายืนท่าทางในการยืนที่สนับสนุนให้เกิดสติคือหัวตั้งตรงตัวตั้งตรงสองขาตั้งตรงฝ่าเท้าวางราบสัมผัสพื้นให้รู้สึกชัดตลอดเวลาที่ยังทรงกายยือนอยู่หากเป็นการยืนณจุดหยุดของทางเดินจงกรม ฝ่าเท้าที่สัมผัสแนบพื้นนั่นเองจะเป็นศูนย์กลางการรู้ว่ากำลังยืนการรู้ท่ายืนโดยไม่ต้องจินตนาการเกิดขึ้นเริ่มจากการรู้น้ำหนักตัวทั้งหมดที่กดลงบนฝ่าเท้านั่นเองส่วนอื่นๆของกายเช่นขาตัวแขนและหัวจะปรากฏในความรู้สึกตามมาเอง ในชีวิตประจำวันตามปกตินั้นเราไม่ค่อยยืนตัวตรงทรงกายแข็งทื่ออยู่แต่มักยืนขาตรงข้างหนึ่งพักขาข้างหนึ่งสลับซ้ายขวาเท้าอาจห่างบ้างชิดบ้างยืนเต็มเท้าบ้างยืนไม่เต็มเท้าบ้างการฝึกรู้ท่ายืนจึงควรสังเกตจากความรู้สึกต่างระหว่างฝ่าเท้าเท้าไหนกำลังรับน้าหนักกดอยู่ก็ให้รู้ เท้าแยกกันอยู่ห่างหรืออยู่ใกล้ก็ให้รู้การเจาะจงเพ่งเลงลงไปที่ฝ่าเท้าจะทำให้รู้สึกว่าตัวหนักและเห็นคับแคบอยู่แค่ที่เท้าแต่หากรู้สัมผัสที่ฝ่าเท้าแบบสบายๆใจเปิดกว้างโปร่งเบาแล้วจะรู้สึกถึงหัวตัวและแขนขาปรากฏพร้อมไปกับความรู้สึกที่เท้าด้วย ในช่วงเริ่มฝึกสติหากต้องยืนนิ่งกับที่เป็นเวลานานการรู้ท่ายืนอย่างเดียวจะไม่พอควรอย่างยิ่งที่จะรู้ลมหายใจไปด้วยหลักการง่ายๆคือหายใจออกก็รู้ว่ายืนหายใจเข้าก็รู้ว่ายืนหมายความว่าเราไม่ได้เอาสติไปจดจ้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะเมื่อหายใจออกเรารู้ว่าลมระบายออกจากกายในท่ายืน เมื่อหายใจเข้าเรารู้ว่าลมถูกลากเข้าสู่กายในท่ายืนการตั้งมุมมองเพื่อเกิดการรับรู้เช่นนี้หากทาอย่างถูกต้องเป็นที่สบายแล้วจะส่งผลให้ท่ายืนปรากฏในความรู้สึกชัดเจนเสมอกันทั้งขณะหายใจออกและหายใจเข้าเครื่องยืนยันว่าสติเจริญ คือสามารถรู้สบายอยู่กับท่ายืนได้แจ่มชัดขึ้นเรื่อยๆอา 3. เมื่อนั่งก็รู้ว่านั่งท่าทางในการนั่งที่สนับสนุนให้เกิดสติคือ หัวตั้งตรงตัวตั้งตรงสองขาห้อยลงจากเก้าอี้ป่าเท้าวางราบสัมผัส พ, พื้นหากเป็นการนั่งเจริญสติรู้ลมหายใจส่วนหลังจะเป็นศูนย์กลางการรับรู้ว่ากำลังนั่งเพียงสังเกตอยู่เรื่อยๆว่าหลังตรงหรือหลังงอและส่วนหัวกำลังตั้งอยู่หรือเอียงเอนไปทางใดก็นับว่าเริ่มเกิดสติรู้อิริยาบถนั่งตามที่กำลังปรากฏอยู่จริงๆแล้ว ในชีวิตประจำวันตามปะกะตินั้นไม่บ่อยที่เราจะนั่งหลังตั้งคอตรงแต่มักนั่งหลังงอหรือคอเอียงมากบ้างน้อยบ้างซึ่งอาการทางกายดังกล่าวจะไม่ค่อยสนับสนุนให้เกิดสติรู้ว่ากำลังนั่งดังนั้นเพื่อจะเริ่มฝึกรู้อุรยาบทนั่งให้ได้เสมอเสมอเราจึงต้องหมั่นถามตัวเองบ่อยๆว่ากำลังหลังตรงหรือหลังงอ คอตรงหรือคอเอียงเบื้องต้นเราอาจรู้สึกว่ากำลังนั่งมีอาการแช่อยู่เฉยเฉยไม่เห็นมีอะไรนั่นเป็นเพราะเราสังเกตในช่วงเวลาที่กายคงค้างในอาการนั่งท่าเดียวต่อเมื่อมีสตินานพอกระทั่งจับจุดได้ว่าเราต้องยืดและงอหลังสลับกันเรื่อยๆในที่สุด ก็จะเห็นขึ้นมาขณะหนึ่งว่ากายไม่เที่ยงแม้อิริยาบถเดียวกันก็มีความเปลี่ยนแปลงตั้งอยู่ท่าหนึ่งไม่นานก็ต้องเสื่อมไปเพื่อแปรไปสู่ท่าอื่นและเช่นกันอิริยาบถนั่งในชีวิตประจำวันถูกรู้ควบคู่ไปกับลมหายใจด้วยได้คือเมื่อหายใจออกรู้ว่าลมระบายจากท่านั่งเมื่อหายใจเข้า ก็รู้ว่าลมถูกล่าเข้าสู่ท่านั่งเมื่อฝึกรู้เช่นนี้ไม่ว่านั่งอยู่อย่างไรท่านั่งนั้นๆก็จะปรากฏให้ระลึกได้เสมอโดยไม่เกิดความรู้สึกอึดอัดเพราะฝืนเพ่งจ้องแต่อย่างใด 4. เมื่อนอนก็รู้ว่านอนท่าทางในการนอนที่สนับสนุนให้เกิดสติคือหงายหน้าเหยียดตัวตรงแผ่นหลังวางราบกับที่นอนเมื่อมีสตินอนยังรู้ว่านอนในท่านี้ก็ยอมต้องรู้สึกถึงท้ายทอยแผ่นหลังและแขนขาอันกำลังสัมผัสที่นอนอยู่ยามนอนเป็นช่วงที่เกิดสัมผัสมากที่สุด โดยไม่ต้องใช้จินตนาการใดๆถ่านอนที่ถูกสุขลนะักษณะควรมีทั้งตะแคงและงายสลับกันการนอนท่าใดท่าหนึ่งนานๆอาจมีผลให้ลมหายใจติดขัดฉะนั้นราดับเท่าที่ยังคงสติไม่หลับไปเสียก่อนเราก็ต้องตามรู้ไปว่ากำลังนอนงายหรือนอนตะแคงมิฉะนั้นก็จะกลายเป็นการนอนตามความเคยชิน คือนอนอย่างหลงฟ eh uh like 哈哈哈ุ้งซ่านแบบเอาแน่ไม่ได้ว่าจะคิดถึงเรื่องใดพยากรณ์ยากว่าจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แค่ไหนกับความฟุ้งซ่านก่อนหลับการฝึกรู้อิริยาบถนอนอย่างผิดพลาดอาจเกิดผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์กล่าวคือถ้าจดจ่อเพ่งเลงท่านอนมากเกินไปจนเกิดแรงดันเหมือนตอนคิดเครียด ก็จะส่งผลกระทบให้นอนหลับไม่สนิทตาแข็งค้างตื่นนอนด้วยความเหน็ดเหนื่อยเหมือนขาดการพักผ่อนอย่างเพียงพอคนส่วนใหญ่เมื่อฝึกสติรู้อิริยาบถนอนนั้นจะเน้นส่วนหัวอันเป็นที่ตั้งของความฟุ้งซ่านก่อนหลับฉะนั้นหากรู้อิริยาบถนอนแล้วเกิดความหนักหัวก็ให้บอกตนเองว่า อิริยาบดนอนไม่ได้มีแต่สัมผัสระหว่างท้ายทอยกับที่นอนให้รู้แต่ยังมีสัมผัสส่วนหลังและส่วนแขนขาอยู่ด้วยหากระลึกถึงสัมผัสทุกส่วนพร้อมกันได้สบายสบา ย, บายจะพบว่าความหนักหัวหายไปอุบายที่ดีคือรู้ลมหายใจประกอบไปด้วยถ้ารู้ว่าหายใจออกจากท่านอนแบบไหน หายใจเข้าสู่ท่านอนแบบใดโดยมีกายเบารู้สึกถึงท้ายทอยแผ่นหลังและแขนขาโดยไม่กระจุกเพ่งคับแคบอยู่ที่ใดที่หนึ่งไม่หนักหัวไม่อึดอัดแน่นอกนั่นถือว่ารู้อิริยาบทนอนอย่างถูกต้องและจะส่งผลดีขึ้นเรื่อยๆทั้งกับความก้าวหน้าในการเจริญสติและกับสุขภาพกายใจ ที่ได้รับการพักผ่อนอย่างสบาย 5. เมื่ออยู่ในท่าทางอย่างไรก็รู้ว่าอยู่ในท่าทางอย่างนั้นคนเรามีอวัยวะหลายสิบชิ้นองค์ประกอบต่างๆทางกายผสมกันให้ท่าทางได้ซับซ้อนเช่นนั่งข่อยห้าง ครึ่งนงั่งครึ่งนอนยืนเอ็นหลังพิงฝาทำกายบริหารออกท่าออกทางต่างๆและอื่นๆจะมีท่าทางอย่างไรไม่สำคัญสาคัญที่ให้รู้ท่าทางในสภาพนั้นๆเสมอจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้อิริยาบถเต็มขัน้นการฝึกรู้ตามที่พระพุทธองค์ทรงแนะไว้ในข้อนี้บอกกับเราอย่างหนึ่งคือท่าทางตายตัวสาหรับการฝึกสตินั้นไม่มี มีแต่ต้องเอาสติไปตามท่าทางทั้งหลายให้ทันเมื่อเริ่มต้นปฏิบัติใหม่ๆนักจเจริญสติส่วนใหญ่มักกังวลกับเรื่องท่าทางที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติความจริงการอยู่ในอิรยาบทที่สํารวมก็เป็นประโยชน์แต่เราต้องทำความเข้าใจให้ถูกจริงๆว่าพระพุทธเจ้าท่านให้รู้ทั้งหมดไม่ใช่เลือกตั้งสติรู้เฉพาะท่าทางที่ถนัดหรือชอบใจเป็นพิเศษ อย่าไปคิดเจาะจงว่าต้องมีท่าปฏิบัติเฉพาะกิจเพราะหากตั้งความเข้าใจไว้เช่นนั้นในที่สุดจะเหมือนการเจริญสติต้องเลือกเวลาเลือกท่าทางเสก่อนการฝึกรู้อิริยาบถให้ถูกต้องนั้นถือเป็นพื้นฐานสำคัญอย่างมากสำหรับการเจริญสติขั้นต่อๆไปเพราะนอกจากจะทำให้แน่ใจว่าเราอยู่กับความจริงที่กาลังปรากฏเฉพาะหน้าแล้วยังเป็นเครื่องประกันว่า เราจะไม่เพ่งเล็งเข้ามาในกายใจด้วยความเจาะจงคับแคบอันกอ่อให้เกิดความมึนงงสงสัยว่ากำลังรู้จริงหรือรู้ไม่จริงรู้ถูกหรือรู้ผิดที่เป็นเช่นนั้นเราธรรมดาเมื่อคนเราพยายามกาหนดรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นความสุขความทุกข์หรือสภาวะของจิตก็มักเพ่งเล็งเหมือนตั้งใจมองภาพ ด้วยการเคลื่อนตัวเข้าไปชิดใกล้จนเกินไปกระทั่งสายตาจดจ้องอยู่กับจุดเล็กๆไม่อาจเห็นไม่อาจอธิบายได้ถูกว่าภาพทั้งหมดเป็นอย่างไรต่อเมื่อทําความเข้าใจว่ามองภาพให้เห็นต้องตั้งระยะห่างระดับหนึ่งและมองคลุมไปทั้งหมดจึงค่อยเกิดความมั่นใจว่าเป็นภาพอย่างไรควรตั้งชื่อเป็นตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนกันแน่ เมื่อเกิดสติรู้ชัดเท่าทันไปทุกอิริยาบถเรื่อยๆเราย่อมรู้สึกประจักษ์ขึ้นมาเองหมดความสงสัยว่าจะต้องตามรู้อิริยาบถไปทำไมเพราะอิริยาบถจะแสดงตัวออกมาเรื่อยๆว่าไม่อาจดำรงสภาพอยู่ในท่าใดท่าหนึง่งตั้งอยู่ครู่แล้วต้องแปลเป็นอื่นเสมอไม่ว่าจะของเราหรือของคนอื่นตกอยู่ภายใต้ความไม่เที่ยงเหมือนกันหมดและตราบเท่าที่รู้อยู่เช่นนั้น ใจเราจะพลอยคลายจากความถือมั่นทั้งภายนอกและภายในไปด้วยความรู้อยู่เสมอๆว่าอิริยาบถไม่เที่ยงนั่นเองจะเหนียวน้ำให้จิตมาอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นพึงใจที่จะไม่ออกไปไหนมากขึ้นตามกำลังสติที่จะเริญนขึ้นวันต่อวัน